ส, สุสังและปะเตปัญญ์ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาอย่าพากันนั่งเงาหลับงอนอนมันปิดประตูมักผลที่ผ่ทน พ, พเจ้าสอนพวกเราว่าอย่าเป็นผู้ปิดประตู เชื่อทำอย่าเชื่อมงคลตื่นข่าวเรื่องคุณสมบัติของเราที่ตั้งตนไว้ในการที่จะถือพระรตนตายัยแล้วก็สอนกันเรื่องธรรมะนี่แหละเรื่องปฏิบัติเนี่เพราะมันเป็นเรื่องรีบด่วนชีวิตเรา ชีวิตเรามันไหลไปเรื่อยไปสูกการแก่การเจ็บการตายมันก็เกิดมาแล้วเอาอันนี้มาด้วยเกิดมาแล้วเอาความแก่เอาความเจ็บเอาความตายมาด้วยเราจึงใช้ชีวิตที่มันมีอยู่เนี่ยเพื่อไม่ให้มันเอาไปกินฟรีๆวามเหลไปกินฟรี ความเก็บเอาไปกินฟรีความตายไปกินฟรีๆยอมรับหลอมรับตำนนไม่ได้หรอกเอามันสิใช่มันสิชีวิตเราปฏิบัติทรรมเนี่ยนะนี่ก็สิ่งแวดล้อมอะไราต่างๆมันก็ชวนให้หลงไปมากมาก เราจึงมีสติมีปัญญาเห็นโลกอย่างแจ่มแจ้งพระสงฆ์เนี่ยนักปฏิบัติเป็นผู้ตัดจรูดตามพระสุคตตามคำสอนแล้วสอนคนดื่นหทลู้ตามด้วยอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเข้ามารับผิดชอบร่วมกันช่วยกันหลายหลายอย่างนอกจาก ธรรมะปฏิบัติแล้วแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมให้กันและกันอยู่ด้วยความสมานฉันทีด้วยความสงบล่องเจน็นมีจิตวัดวิธีวัดร่วมกันนี่ก็ล่ำเข้าไปแล้วถ้าเป็นวันคืนล่วงไปล่วงไปก็ปหมดไปตามการเวลา การเวลาย่อมคืนจินสัพพสิง้อบสั้งตัวบัเลงเพราะฉันอยาให้เวลามันคืนเราเรามาคืนกินเวลาโดยไม่ความรู้สึกตัวตะ ว, วันโตคืนขึ้นมากับมรรคผลกับสติปัญญาของเรานะ ถ้าจะดูตามการเราก็เตรียมอะไรหลายๆอย่างนี่ก็ช่วงก็ยออ่อภญษาตามที่สมมติบัญญัติของโลกการหนุนัาษานี่ก็มีอะไรพิธีสาธยาพิธีของสงฆ์ของวจกวาจิกามีการตวารณามีการอารัโมจนามีกาถินมี อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเราก็รั่วไว้หรือเตรียมเอาไว้บางอย่างปะวารณนาเนี่ยเราต้องท่องให้มันได้ถ้าท่องไม่ได้มันก็มันก็ไม่มีเหลี่ยมไห้ตัวเองสักอย่างเลยหัดท่องจำอะไรให้มันได้ก็หน่อยถ้ามีเพื่อนบนรรพชิตถามในการแผ่นหลังนะ่ เราตอบไม่ได้มันก็อายเขาเก้อเขินไปแต่เราพอจะตอบได้บ้างพาเขานำบ้างบางอย่างก็จำเป็นเหมือนกันพระสงฆ์เนี่ยวัวจบวาจกาิกาก็เช่นกันเช่นไปบินธบารอยู่ในเมือง เ้วเดินไปวินทบาดาไม่ตั้งใจจะไปรับนิมนต์อะไรมีคนมาเอารถมาจอดดูเห็นพระเดินไปก่อนเดินหน้าไปก็ไม่รู้อะรจีรูปแล้วก็ไปตามหลังเขาไปก็ไปเพราะเราเดินไปไปถึงเขาก็มาใส่บาท พอจรบาตรให้เราเขาก็นนี่มณ์หลวงพ่อไปรับสังฆทานที่บ้านนี่มณ์อาจารย์ไปรับสังฆทานที่บ้านไม่ยมมาจาบุญบางสกุลด้วยหมุญาติมาร่วมกันที่บ้านอนี่มณ์หลวงพ่อลูกเดียวละ่ะ ไ, ไม่เราทำอะไรไม่เป็นเราทนะําทไงอ่ะจะทาไง ให้นำพอไปถึงเขาก็ปูที่นั่งที่แไะให้นำเอาหลวงพ่อเอาอาจารย์ น, นำพวกเรานำพาพวกเราแล้วจะทํำยังไงฮะจะจุดทูปจุดเทียนไหวพระละักษณินรัตนธรรมรัตนาเทพยังไงเขาอยากให้เราไปสอนเขาว่าพระเนี่ยอาจจะมีความรู้หรือไม่ก็ได้เขาก็ดึงวันเราไปแล้วก็แล้วก็นํดำ คือขึ้นไม่ได้ต้องนำเอยายอาโยงดูไปดูที่นั่งมีอะไรไปทำใจแานเจ้าหมูบูชาดอกไม้ทุ้เพียนอะไรมีเขาก็เตรียมไว้บ้างทำยังไงแล้วก็นำอ่าก็ตามศ า, า, าสานาพิธีเราก็เรียนมาแล้บัรจุวไว้ในหลักสูตรสอบด้วยฮะ สารไตริธีสอบด้วยท่านแม่กองทำสันน้ำหลวงได้ยนินเสมอว่าบริษัททั้งสี่ไม่รู้อะไรเพื่อไม่ให้เสียหน้าของแม่กองทสาสันหลวงให้ท่านลาธนา สินแปดให้ฟังดูและถวายสังฆท า, านมาให้หมดเขียนใบครบโอ้เราท่องไม่ได้เราก็ไม่เคยว่าเลยรัชกาศสิบแปดว่าไงถวายสังฆท า, านว่ า, างไง <laughs> ไม่รู้เลยเออโอ้ยเนีก็เสียยี่ห้อแม่ของสามน้ำหลวงไปฐานะที่เราเป็นชาวพุตรก็ต้องเดียน ว่ามันจะออกมันสาปภาวณาแล้วก็ว่ากันทุกโลกทุกโลกที่สิมอุทุกกับเขามาสิมน้ำหลังคำบันเตปบาลเลยมีทิเถ ว, ว, ว่าสุเถว่าเปลื้องปลิสังไกายวา่วาวัฏน้ำังไอเจสอนตัวนูกับบางปะทายปัจจันโปตปฏิกริษามิไม่มากต้องมาเดียวก็ได้ไม่ขีก็ว่าอ่นะภารณาต่อกัน อันนี้ก็หัดไว้เรียนไว้ให้จำไว้เมื่อจำไว้มันก็ไม่หนักเหมือนรู้ว่ไม่ใช่บาปแบบข้ามอะไรจำได้แต่เป็นเนน้อยเท่าัดเนี่ยจนถึงอายุเจ็ดสิบปีละยังไม่ลืมแล้วก็อานโมธนากถินเวลาเขาถวายผ้ากถินแล้วก็สวดอานโมธนากถินให้เขานักจากรับ ยะถาจะปีไปแล้วาบางคนเขาก็ร<ๆ>อรอตรงนั้นด้วยเขารู้เขาจะได้บังทีก็ตรวจน้ำบางทีก็ใส่ใจการเลการเลทรันติจัปัญญาวทันโยวัฏถันโยก็ว่าไปาวิจัปัจจาราการเลติ น, น, นางเดชจุอุจจุเตชุไป วแล้วก็พบวัตุสอบปรวังกรลงังสวดไปให้มีขั้นตอนตามระเบียบเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วทั่วทั่วทื่อไปในหมู่พุทธบริษัทประเทศไหนก็ว่าเป็นสูตรเดียวกันเรียนมาเหมือนกันก็ว่าไปว่าให้มันเป็นถ้าเราจะนำพากันว่าบ้างตอนเช้าก็ดูการเวลาเออ ช่วงนี้ก็ว่า น, นี้สวดอนนี้การสวดมนต์เช้านี่ก็เออสวดมนต์เช้ามันเย็นก็อย่างนานยันมากเกินสามสิบนาทีภาษาที่เราสวดอย่างมันเอื้อนเกินไปเป็นโกจะด่าตนะเสียงโกจะด่าตเสียงทำเสียงพระพุทธเจ้าเสียงพระสงฆ์เสียงอวโลกวิจิกาไม่ใช่อ้อนมน เป็นโกโชนาทให้มันชัดๆ่าเอื้อนเกินไปช้าเกินไปถ้าฉบับเดิมของการสวดมนรรมต์แปลธรวัดเนี่ยสวนโมกเป็นต้นฉบับเป็นผู้สวดมนรรมต์ธรมวัดแปก่อนใครในโลกหนังสือตอบม า, าต้นฉบับเขาก็สวดได้ดีถ้าสวดเป็นภาษาสันษกิจต้องต้นฉบับ ที่วัดบวรวัดมหาธาตุวัดบวรเนี่ยเป็นฝ่ายยุตนิ迦มหาธาตุเป็นฝ่ายเทระวาตเขาสวดเอาเัาต้นเชือกเอาจากที่ด้านเป็นต้นเชบอบแล้วก็ฟังแล้วก็เรียนเอาฟังเอาแล้วก็ว่าเอาอยาให้ศินเนี่ยต้นเชือบเขาก็มียุตานิาย เขาว่าปเปรียยนไป่นด้หนอต้ อ, ตตอ ง, ตตองอจุลจงก็เจ้าไม่ทักเ่ยเขาว่าต้องปนโผล่ไดต่อนั่งเขาว่าแนงนองก็ามาข้างในเวลาอ๋อคนเขาดูว่ายึดแต่ในกายถ้าให้ศีลลองดูเทระวาดให้ศีลแล้วเขาลุ้ว่าโอ้พระโลกนี้เป็นเถระวาดพระรูกนี้เป็น ยุตานี้กายมันมีสองนิกายบ้านเราแล้วนี้มีสามนิกายสี่นิกายไปแล้วอย่างโพธิลักษนะ์เนี่ยก็ไปอีกแบบหนะึ่งนิกายที่ใหญ่แล้วนี่ก็มีธรรมกายอีกไปอีกแบบนะึงแต่ต้นฉบับจริงๆอ่ะต้นเดิมแท้ๆนะี่ยเทรวาตกรอะไรทั้งหมดเพราะนั่นเองงั้นมีแบบฉบับ ถ้าพอดีล่า็ก็อิติปิสโสภควอาอะระหังสำมาสังบุตธวิชาฌณาสังบันโนจุกโตโลกวิทูอนุตตลโลภิสะธรรมชาลทีสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธทโอภควาติไม่ใช่ว่าอิติปิสโสภควอาอะรหังจำ ม, มาสังบุตรมันอ่อเกินไปให้เป็นโกจนาสักหน่อยโกจนาตคือมัน ไม่ให้ภาษามันเพี้ยนไปณก็นะกนะมิก็มิติก็ติตังโขปณาภควันตังเอวังกะรยาโดจิติตจัตโทอปกคดโตโอจิติตจัปปนงามของพระผูม้มีพระภาคเจ้าดานถ้าเรามาให้มันถูกัว่าถ้าเราไปเอื้อนนีน่อย ตังโบัรนาพักข้าวาตังวันวันตังเอวังกระไรยานโิเจตจะโตอะปุกะโตเลื่อนไปก็เลื่อนไปหน่อยนะไปนั่นหนะกก็นะนะโมตจักพักข้าวาโตโอโนมโนมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นานขาดนี่ก็เอื่อนมากแล้ว อะนาหาโตซึ่งเป็นผู้ใกลจากกิเลสสมาสมบุตรสาตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันนี้พอได้นะโมจัจาสาปะคะวะโตขอนอบนอมแต่พระผู้มีพระภาคจ้าพระองค์นาน อาล้ า, าดูเอไม่ใช่อ้าอแลฮวห า, าโดั่ไปนอนนั้นให้เป็นสถาบันจักหน่อยการสวดแล้วก็ในใกล้เขาออกพรรษานะอย่างนานเกินไปอย่าให้เกินสามสิบนาทีการสวดมนต์ตอนเช้าก็ดีตอนเย็นก็ดีผู้ดำก็พยายาม กำกับบทสวดนำบทนั่นนำบทนี้บทสุดท้ายเอาหลายหลายบทก็ได้ติดท้ายด้วยหลายบทพิญญาสังขารแล้วก็ปชิมอวาตอะไรต่างๆกใ็ให้ได้ไดฟังมันจะจำได้ นำกันไปอาศัยกันอะไกันเวลานี้ก็เป็นา่าฤดูฝนเต็มที่มีจิงต่างๆที่เราจะเตรียมวารต่างๆไว้หลายอย่างถ้าเราเปล่อยน้ำทิ้งไปสามแท่งใหญ่ๆเลยฝนก็ไม่ตกแล้วเสียเปรียบแล้วทำไมยังปล่อยทิ้งอะ่ะเพราะเราสูกน้ำในจะมาใส่ แท่งอ า, ายันตุ่มทำใหม่สามแท่งนะเราอยากได้นั่งฝนเพื่อมากรองดื่มที่นี่ก็พลาดไปล่าเกินไปล่าเต็มทีแล้วถ้าฝน ล, ลดหางปทีบแสดงว่าล่าที่สุดแล้วหางไปที่คือออกภัญษาจุดเตียนออกกัญษามีน้อยมาก ไว้นั่นปีนี้ก็น้ำอาจจะมีปัญหาสระก็ไม่เต็มถ้าฝนมันดีมันอิ่มนม้ำมาสระหลังวัดก็เต็มคองที่เป็นสารแยกมหาวราชพัฒติดป้านี่ก็เต็มอ่าองที่กติท่านสลีนก็เต็ม อันนี้ไม่มีละแห้งละน้ำในจะก็ยังไม่อิ่มตัวที่ก็มีทางเดียวคือเอาทำเขื่อนที่ท่อสีท่อนทำเขื่อนถ้าทำไมถ้ถาวรก็จะเอาผ้าชายมากั้นน้ำไ้เวลาเดี๋ยวนี้น้ำในจะมันสูงกว่าน้ำาของที่เราสร้างใหม่แม่เอาน้ำป่า มัคลองมันต่ำน้ําสระมันสูงขนาดนี้สักเม็ดหนึ่งถ้าเราเออการสอบสายมากัดน้ําให้มันสูงขึ้นเม็ดหนึ่งเท่าตัวสรมันจะไม่ดูดแล้วเน่คลองมันดูดน้ําในสระไปโคสะก็คันโคสะก็บางเล็กนิดเดียวไม่ไม่ใหญ่แล้วก็กากัดน้ําได้มากแต่ยากมากถ้าเราทำเอ่อทำเกื่อนที่ ประตูน้ำสีเ่เมตรอะตาประตูไว้มอนก็เกินตรงนี้ฝายบนนี่เอาน้ำจะได้เก็บไว้บ้านเพราะนี่ก็ถ้าฝนไม่ตกให้ชาว บ, บ้านก็มาช่วยนะเพราะชาว บ, บ้านก็มาใช้น้ำในสระน้ำ ม, มาลานก็ใช่ไม่ได้แดงเป็นขุนเพราะเราก็เพิ่งมาเจอน้ำใส ทีสองปีเ้าตังเองแต่ก่อนน้ำแดงมีปัญหาเพทาชาวชาวบ้านมาใช้อาจจะมีปัญหาต่อไปแล้วก็ใช่กันมากน้ำที่นี่เราพึ่งตัวเองมีน้ำปราปาขนาดใหญ่เหมือนชาวบ้านข้างล่างเขาเจอบบาดาลก็ไม่ได้มีน้ำขม แถบนี้มีน้ำขับเราโซนทางทิศตะวันออกปลำมะทาไม่มีน้ำขคบเป็นน้ำเบาทีสุดนี่มีอะไรอะไรที่เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปดีขึ้นเลยเขาก็โอ้ยสบายสลาหน้าก็เรียบร้อยสะอาดสลาหัวใจก็สะอาด ที่ไหนถนนทางอาจารย์ท่านสุรินทร์าจารย์ปัญญางานารวัฒนชัยทุกรูปช่วยกันช่วยกันอย่าอย่าไปให้เวลามันคืนเราแม่มาจอกวัญษาถ้าเป็นตัวปฏิบัติไม่มีออกไม่มีเข้าไม่ใช่เราจะหลงตามสมมติปัญญา พลมัดจัะมันไม่ออกไม่ไปไหน ค, คือวันหนึ่งมีกลางคืนมีกลางวันไม่เวลาที่เราจะต้องรู้เรื่อยไปไม่ใช่ออกพรรษาแล้วหนังสามแี่วปูกไว้กับวายูแล้วสึ้ขารหลายเพศไปคิดอย่างนั้นมันไม่ใช่มันคืนเราไม่เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดถ้าใครมีทุระอะไรก็ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหากนะับวจะ ได้ิบัติธรรมเเหมือนบัวอยู่ในน้ำไม่เปียกน้าก็ไม่ทำม่ะไปอยู่กับโลกไม่เปียดไปเปื้อนไปเปื้อนเหมือนนกเป็ดอยู่ในน้ำไม่เปื้อนน้ำจำเป็นเหมือนกันนกเป็ดต้องอยู่ในน้ำจำเป็นเหมือนกันบัวต้องอยู่ในน้ำทำชีวิตในเหมือนบัวเหมือนนกเป็ดในน้าแม้มันจะมีน้ำเน่าน้าเหม็น บัวก็ดอกสวยงามหอมด้วยสีสวยงามด้วยชีวิตเราก็เหมือนกันอย่ามาถือสุดตรงเออต้องถือบวชไม่บวชก็ไม่เป็นไรว่าแต่เรามีธรรมะว่าแต่เราไม่ีธรรมะแล้วถ้าจะออกพรรษาตามทมวินัยเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยไปได้ถ้าด่วนไปปะวารณ า, าได้ได้เมื่อวนันเมื่อสองวันเนี่ยพ่อจุดตา ม, มาหา ในชาวบ้านเขามาบอกว่าตอนเย็นตีข้องทางวัดหลวงพ่อจุตตามาเยี่ยมมามาหาหมอมาพักพายบาทจะไปบินทบาทออกไปยืนหน้าวัดรอเพื่อนตีข้องทางวัดเย็นนะโยมต้องไปเอาขึ้นหลวงพ่อจะพายบาดไปไหนะไปบินทบาตตอนเย็นนะเขามาเล่ามาฟังหลวงพ่อเลยบอกว่า มหาหลวงพ่อหลวงพ่อว่าพ่ อ, พอไม่กลับก็ได้นะเนี่ยเป็นเจ็ดวันสุดท้ายพันษาไม่กลับที่แวงใหญ่ขอนแฉกก็ได้อยู่นี่เลยได้ไม่ถือว่าขาดพันษาปะวารณาที่นี่ได้ไม่จำเป็นต้องไปก็บอกท่านและบอกลูกชายของท่านด้วยคื อ, อมันลืมแล้วแปดสิบปีมันลืมไปแล้ว ถ้าผมเอกถ้ามันลืมอีกสิบปีมันลืมอย่างนี้พวกเราจะช่วยยังไง <c oughs> ก็ต้องอย่าให้ไปไหนให้อยู่ที่นี่ <c oughs> ผมก็ใส่เพื่อนทั้งหลายอยู่ที่นี่น่าไม่ชนะี้นะเออผมก็อายุแปดสิบปีไปบินทวารโอ้ดูแลกันหน่อยสิจับขึ้นมาเป็นได้นะถ้าเราขาดสตินะไม่มีสติเราพ่อเคยเห็นใครพูดให้ฟังเราพ่อเจ้าคุณ บ้านก้างป่าใหญ่มึงเลยอยู่กัดิดีๆผ้าก็ไม่หบเดินเข้าไปในบ้านคนชาว บ, บ้านก็ถามหลวงพ่อจะไปถรายไปวัดวัดกูอยู่ทรายเอา้าหลวงพ่อก็เดินออกมาจากวัดเนี่ยหรือแย่หน่อยอยู่ทั้งไหนล่ะป่า ก, าก็มาส่ง่วัดเ น, นี่ยมันมีได้ถ้าไม่มีสตินะ เพราะนั่นเราเตรียมไปเตรียมใจก่อนตายเตรียมไปก่อนแต่งเตรียมแบงก่อนเดินเตรียมไว้ให้มากๆอนนี้อย่าลืมแท่แผมรู้สึกตัวเอาไว้หน้าเอาไว้กับตัวเราเป็นสมบัติของกายของใจเราให้ได้อันนี้หลวงพ่อก็ประสงค์ตรงนี้ร้อยเปอร์นอันดึน การเดินก็ไม่เท่าไรวิธีดีต้องต่างๆน้อยมากเพื่เราก็ศึกษากันเราเองแต่ว่าปฏิบัติทำรรนะเอาให้สุดหัวใจเวลาใดที่เราได้เดินอยู่ในห้องเดินทางเดินของเราโอ้มันสุดหัวใจเวลาใดที่เราได้นั่งยกมือสร้างใจวะในกติกัดท่อองเรามันสุดหัวใจให้อิม่มอกอิ่มใจเวลาเรามีสติยาไม่ไอะไร เบื้องหน้าเบื้องหลังเทเทย่ามจักหน่อยเทกะโปะจังหน่อยหมดทุกอย่างเวลาเราสร้างอย่าเอาไว้นั่นไว้นี่มาแบ่งไม่ได้หัดหัดตัวเองมันยังจะสมควรถ้าทําไม่สมควรจะรู้มันก็ไม่รูอย่างเราสวดอ่ะอ่าไปที่บัิ จริงทำจริงก็ได้ผลเป็นจริงถ้าปฏิบัติเล่นก็ไม่ได้ผลอุบาจุปวัจิกาเขาจะไหวอาหารการฉันเขาก็มีในสงฆ์เราจึงพยายามเพียนพยายามนี่ก็ อ, อย่าล้มเมื่อจอดเทียบท่าให้ได้ขึ้นฝั่งได้อย่าล้มเห็ว อย่าไปคิดเลยใครจะอยู่ใครจะไปไม่เป็นไรแต่ว่าก่อนที่เราจะไปไหนต้องป ร, รารณนากันก่อนจัญญาใจกันปีละครั้งสังคมมันเตประว่าเลยมีทิเทนาวาสุเตนาวานะบริสังกายว่าว่าท่นท า, านตัง อ, อ า, าะสังโตอนุขบังอุปาฏายะปัจสันโตปฏิกริษามินะลข้าแต่ท่านผู้เจริญ ต่อไปนี้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันไปคณะทิฏทางเมื่อได้ทราบว่าข้าพเจ้าพูดผิดเมื่อได้ทราบว่าข้าพเจ้าทำผิดเมื่อได้ทราบว่าข้าพเจ้ามีความเห็นผิดให้เมตตากุณาเตือนข้าพเจ้าด้วยปาชีอวโซอ๋อเตือนข้าพเจ้าด้วย เมื่อท่านเตือนข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ถือโทษโกรธเคืองซึ่งกันและกันเลยเพรานให้ว่าเก่าวตักเตือนกันปีหนึ่งแล้วก็มาเตือนกันอีกทีหนึ่งเป็นสัญญาใจเป็นการล่างที่ถิน่นบรรณของตนยอมกันยอมให้ว่าเก่าวตักเตือนกันได้อหรือว่าอะไรมันไม่ดีไม่งาม แจ้งขช่วยกันเตือนกันดูแลกันไปพวกเราก็อาศัยการดูแลกันการช่วยกันเนี่ยมันจึงมได้นานขนาดนี้พระพุทธศาสนาโดยพระพ่อสงเยสงงว้ซึึงระเบียบไวไ้หนะนะราหลวไม่ค่อยมาจำวัดอตอนเช้าก็อาศัยพวกเราเนี่ยวันนี้ก็สมควรใจประอาจารย์โยกี